ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าภิกษุจับชายสังขาติดตามหลังย่างเท้าตามทุกเก้าแต่เธอมีความละโมบมีความติดใจแรงกล้าในการทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดลบริแห่งใจอันเป็นโทษลืมสติไม่มีสัม ป, ปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดไม่สารวมตาหูจมูกลิ้นกาย ใจภิกษุนั้นก็ยังอยู่ไกลเราโดยแท้และเราก็อยู่ไกลภิกษุนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุนั้นไม่เห็นธรรมผู้ไม่เห็นธรรมย่อมไม่เห็นเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้ว่าภิกษุนั้นอยู่ไกลตั้งร้อยโยต์แต่เธอไม่มีความละโมบไม่มีความติดใจแรงกล้าในการทั้งหลายมีจิตไม่พยาบามีความดั่งรีแห่งใจอันไม่เป็นโทษ มีสติตังญญต้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวสามรวมอินรี์พิกษุนั้นย่อมชื่อว่าอยู่ใกล้เราโดยแท้และเราก็อยู่ใกล้พิสษุนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพิสษุนนั้นเห็นหธรรมผู้เห็นธรรมย่อมเห็นเรา